สัชโกเป็นสิ่งที่ควรเรียกร้อให้มาดูกันได้เนี่ยตรงมสวัสดิ์ฐานธรรมของพระเจ้านะสวาดิาธรรมทำดีของพระเจ้าตัดไปดีแล้วสัญชิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกาปฏิบททัติเนได้นนตนเองอาจาริโกไม่ประกอบกิการเวลาดูเวลาไหนก็เห็นเวลไม่ต้องไปหาเวลาที่ไหนดูดี๋วี่เ็เดี๋ยวนี้ ดูตลอ ان, ดเวลาเห็นตลอดเวลาเออปฏิเรียกร้องไห้มาดูกันได้ความและค่าพิสูจน์จริงไม่จริงต้องเชกับตัวเองอ่ะแต่ต้องไม่เห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้นะต้องเียือยอ่อตัวเองนะใช่ะหม่าเห็นแล้วก็ทํางจะตอบตัวเองได้เลยจะเทียมไม่ได้และอันนี้คือความหลุดพ้นด้วยความพ้นที่กิดขึ้นให้ได้เกียร์ ย่าแปะมือสี่ันก็ทำอาคารจบแลเนี่ยนี่ขอให้เราเข้าใจตรงนี้พ่อมาเห็นตรงนี้เองเ้าต้าผมวงเชียงก็เหมือนกันเดียร์แต่ไปหาหนังสืออาจจะพูดอาจจะแตกตามกัรอาะนะตอนนี้เดี่ยวขังสื่อแล แต่งอกเกลียวให้ก็รู้ได้รู้ได้หมดแบบนี้เย็ยเหนหรือต้อนจะรู้ได้แ็่ยนี้นี่ร้อนจะได้เย็นจะได้จะได้หได้าเรามีสติตอันนี้นะมีความทนทางมีความอดมีความทนเียขันติบารมีแล้วนะเดี๋ยวได้ขันติบารมีได้บารมีอันนี้แหละ พอาเาทุกวันนี้อดนแอนร์ไม่พออทนนะใช่ไหมทนไม่พอ้ช่อะไรนี้อะรหนอกราทนไม่ไหวทนไม่ไดออ้อันนี้ถ้ารู้เนี่ยทนได้มันมีคามทนว่านั่นนะมีควากอดมีความทนนี่นี่ไม่ใช่เราต้องทนนะเราต้องทนเราก็อดอย่างนี้ทรมานนะแต่ว่ายังไม่เป็นเราก็ต้องหัดเลยนะหัดทนดูที่ตั้งนี่นะเด <laughs> ินได้อืม ององทดลองดูว่ได้นี่เราอเราทนไม่ได้นี่พอแดดร้อนหน่อยนีร้อนหน่อยคานไม่ได้ต้องวิ่งหนีนะเราเคยงนีเคยหลบเคยนีไอ้เราไม่หนีด้ได้นิดเดียวเนะกของเราใช่มออย่างเงี้ยไม่รู้ รู้ปหมไม่รู้อ่ะเปิดมาก็รู้อีกเปิดจิตนี่ฝามือหงายมือนี่ดีมีฝักไหมแค่รู้ใจกลางเปิดจิตเปิดใจขึ้นหน่อยนะอย่าไปติดอะไรให้เราดูสาให้รู้จัำจำให้มันได้โอ้ภาวะอะไนภาวะไม่มีทุก ภาวะที topic, people, ่มีทุกข์มีสองงานอยู่ความไม่มีทุกข์ก็มีอยู่ความมีทุกข์ก็มีอยู่ว่างันมีอยู่วุ่นก็มีอยู่เราจะวุ่นเอาว่าเมื่อเรารู้ว่อวุ่นก็ออย่างนี้ว่างก็อย่างนี้นะถ้าวุ่นก็คือวางถ้าว่างก็คืองานเอาแล้วมึงไหนก็เพี้จิตเราเนี่ยเองนะไอ้ตัวโล่น่ะตัวโล่นอย่าใบอย่างเงี้ยอย่าโล่เท่าโล่ผันมีอะไรจิตเี้ หายใจเข้าออกหมดไปเละหายใจเข้าหายไปนี่ต้องฝึกอะไรนี้ความรู้สึกตัวนี้มากๆหายใจเข้าออกนี่ก็หายหมดเวลาหมุนจนตัางเวลาค้งช้ำนี่นั่นถือว่าใช่อันนี้เหมือนกันอยากรู้ายกับคุณอันนี้ก็ต้องอายโอ้ยหายหายใจเข้าหายใจออกปึ๊บหมดไปแล้ว หายใจเข้าออกก็หมดแล้วเรรู้ตัวนะที่รู้เดียหายใจเข้ารู้าหายใจออกก็ออกไปตามลงหาใจขาดออกเป็นไเองอย่าแล้วมันจะไปขาดหรอกนะความรู้สึกเราจะเห็นที่ความรู้สึกของเราด้วยยังไงนั่งน้ำเนื่อไหมนะนะ เมย์ะหรอเมยยืนดีๆไหมยืนดูหน่อยอะอยืนพ่อชี้ให้ดูเอาเวลาลุกให้ดูเพ่นรู้ไว้นะอะไนงานเราจะลุกให้เรารู้ว่าตัวเราลกยังไงอะพอยืนตรงแล้วในงานรู้สึกยังึงแข่งตึนขาจับหน่อยเออ่นีเน็บ้่อง ต้องพยายามเกี่ยแล้วมันจะไม่ค่ชาาต้องพาแก้แ่นี้ของเยียวยาเราดูเฉยชาเลยดีให้ด็อยๆจายเาอย่าไปอย่าไปขัดแย้งอย่าไปบ่อต้านอะไรทั้งหมดนะดูความเป็นไปอ่ะเดี๋ยวเยวเขจายองาหายไีเนะเราเยยวยาแทเยียยาแก้ไม่ใช่ที่คายยังไงมันหายอยู่หายเมื่อยอ่ะใช่ไหมขยับใช่ อยาบหน่อยเนี่ยเรู้แล้วนี่เป็นไปเพื่อเป็นไปยังไงอะถึงเนี่ยมารู้นสึนที่ขาได้ทั้งหลังทั้งเดียวที่ตีขาได้นะ <c oughs> ตีที่สุกของดีเาเลยวันเดียวของดีมาให้นะี <c oughs> ้เ็ของดีที่จริงมน <c oughs> <c oughs> ันไห้ให้หรอี่ให้ดูนะมีอยู่ในทุกทุกคน แต่ในี้ขอใหเรารู้จักนะรู้จักของดีที่มีในตัวคนนะไม่ต้องไปหาของนอกตัวหรนะเอามาใายเอามาแขวนยู่เองกันเราเอาใครวะอ่ามีอยู่แค่ผ้าในใจเนียูีว่าผ้่นนะขยับนี้มารู้สึกตัวอยู่ฮะเนี่ยมั น, นีขยับก็ได้ฮะเราไม่มีที่เดินเราขยับขาเรเหมือนกัะอืมขยับแล้วก็รู้ขยับอยนี้เราก็รู้ ขยับขายังไงใช่ไหมอ่าขยับกายอย่งไงขยับขาอย่างไงรู้ได้ใั่ไหมและดีไหมเนี่ยให้เรารู้อะรู้มันจะมันจะแก้ไขรู้แล้วแต่ก็รู้แล้วแก้ไขไปในตัวด้ไอ้ผมเกอ์เนียมันให้มันสมดุนหรือปักยังไงมันสมดุนยังไงไอตัวรู้เขารู้อยู่แล้วใช่ไหมเป็นไงแบบนี้เนี่ยสมดุนไม่คุกันนะ หรือนปกติเราเห็นปกติแล้วก็รู้เฉยๆเย็ยนดูเฉยๆนั่นยังรู้สึอยูน่นะรูะ้ตัวอยู่มีความรู้อยู่เติมเนี่ยมีสมาธิมีสติมีปัญญาปัญญาที่เรารู้ได้เนี่ยตัวปัญญาหรือตัวญาณก็ได้นะเนี่ยตัวญาณตัวนี้ที่รู้ตัวนี้ตัวรู้ตัวนี้รู้ที่ให้เป็นไปยังไงยังไงเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สําคัญนะ จะเรียกว่าอาสาวะขายาัยยานก็นได้เนี่ยเช่นให้เชื่อไปซึ่งอาสวะเชื่นไปซึ่งอาอะไรต่างๆที่หมัดดองอยู่หรือเคยเชื่นอยู่หมดเพื่อนมาให้มันหมดไปให้มันหมดไปได้อยู่ใจให้มันหมดไปได้นะแต่นี้ต้องดูบ่อยๆให้มันชิ้นนะถ้าเข้าใจแล้วหมดไปได้พอทำมันี่ก่อนมันจะหมดนี่ อยู役役役่ดีๆมันก็มุดนิดขึ้นมาตอนหลัคเนีううのの่ยแรกมันไม่ได้เราก็บ่อยๆดูบ่อยๆเขาก็รู้จักขึ้นอ่ะใช่ไหมรู้วิธีขึ้นนะมีแท็กิคขึ้นมีอะไรก็แล้วต่พวกไม่ถูกนะมีวิธีขึ้นเนี่เขาเรียกเจริญมากมากก็ขึ้นนะทางดำเนินเพื่อสิยากดับทุกข์ อริยาาสัจสี่นะทุกคนกำหนดรู้สมุทัยคนละก็คือเหตุคือผลอ น, นั่นเองสมุทัยก็คือเหตุทุกก็คือผลไม่ว่าอะไรอ่ะมีเหตุมีผลอันนี้ใช้กับชีวิตก็ได้ใช้กับภายนอกก็ได้ไม่ว่าจะทำอะไรกนะ็ใช้เหตุผลอันนี้ได้เพื่อดับทุกข์กับอันนี้นี่เราจะฟ้าไม่มีทุกข์ ความดักไม่เหลือแห่งทุกข์เนี่ยนิโรธไม่ใช่ไปเข้านิโรธที่ไหนที่ว่าเข้านิโรธเพราะเดี๋ยวนี้ดูที่มีข่าวว่ามีทุกข์ไหมไม่มีนั่นแหละไม่แต่เข้าไม่แต่ อ, ออกนะไม่แต่เราไปเข้านิโรธใช่ไนหะเราอยู่กับนิโรธอะอยู่กับความไม่มีทุกข์นะถ้าความตองมาแล้วไปความเ่นียงนั้นนั่นบาีจะได้ขันแย้งในตำราแต่ไม่ขัดนะฮนะแต่ในตำรา้ไม่ต้องเข้าออก ใช่ป่ะอันนี้ไม่ต้องเขา้าไม่ต้องออกเลยแหละแต่บือ <c oughs> ฟ้าไม่มีทุกนันนะทําอะไรเราอย่าลื่อมมันนี้อีกเราไปอยู่กลางอะไรอยู่กรากาย ง, งายแต่เราเห็นจิตใจต เ, เราไม่มีอะไรไม่มีทุกเราก็ทำมันก็ไม่มีทุกอ่ะอ่าอันนี้พอเราเลื่อเผ อ, อันนี้มันก็คิดคิดปรุงเข้ามาเอาวจิตก็ถูกปรุงแต่งข้นม า, เ, า เ, อไไเอาเลิกไปแล้วเอาเลิกเรารู้ตัวว้าขจารถไป ทำอยู่เรื่อยๆเคยชินที่หลังเนี่ยรู้เท่ารู้ทันเขายังรู้เท่ารู้ทันด้วยจกันรด้วยการแก้ไขการเรืยไขแก้อยู่เรืยกันเกิดไม่ได้เลยรู้ก่อนเกิดจะไม่รู้กับเกิดแล้วไปรู้ทาไปทําไปแต่นี้เราก็รู้เท่าทันเท่าเนะรู้ก่อนเกิดเอย่าไปจะเกิดแล้วมันจะเห็นหรือความรู้สึกชํานาญนะฝึกให้ชํานาญแล้วเวลามันจะมีอะไรันก็จะเห็นเลย เหมือนใครๆเราตักน้ําใส่โองเวลาก่อน้ําขุ่นๆเคยไม่ค่าใครแต่งน้ํำส้มหรือน้ําในโอง่งขุ่นๆนี้ยถ้มามันเหลือน้อยๆเวลาเราเอาขันตักในี่ยตักแรงเนี่ยตะกอมันเนี่ยเนี่ยจิตใจเราเหมือนกันเลยนะเนีาา่าตักยังไงถึงไม่ใหมันฟุ้งทํายังไงถึงไม่จิตเะปุง้งก็เหมือนเราเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่าง จิตมันพุ้งเฟ้ออะไรเรดูเหตุดูอยู่เรื่ยมันจะเห็นมันฟุ้งพอะไรฟุ้งเฟ้อเหตุอะไรมันเห็นรู้จักอันนี้จะาที่บอกเรนบอกไม่ได้ต้องเห็นนะอนมนะนาศึกษาอย่งไขยับนี่ขยับตัวขยับเทาาได้ก้านิดนิดนนะเยียวให้เต็นเต็มทาเราป่อน เรายืนแบบให้ท่าธรรมดาเนี่ยสังเกตนะเราเหยียดไม่เต็มเท้าหรือเราหิ้วตัวเราไว้มันจะหนักมัเรายืนหนักปอยมันจะเบาแต่มันจะเป็นหนักที่ข้อเท้าแต่ตัวเราจะเบาขึ้นเนี่ยน้ำหนักตัวจะเบาขึ้นเยอะเลยนะยืนนะแต่นี้เดินไปไหนมาไหนมันจะรู้เดิน เดินเหยียบเต้นเท้าแล้วมจะสบายฝ่าเท้าพอเหยียบเตเท้ารู้สึกสบายฝ่าเท้านบางครั้งเราเหยียบไม่เต้นเท้าเราก็ไม่รู้อ่ะสบายก็ไม่รู้ไม่สบายก็ไม่รู้เคยชินก็เคยชินไม่ได้ดูนี้เขาเรียนไม่ได้กหนดรู้นั่นี่ไม่ได้ดูไม่ไรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สังเกตนี่สังเกตไ้หมดเลยยากสังเกตกเรื่องเรา่เข้าใจอย่างนี้ไม่น นะ่ะล้มตน้นหลอดดีขึ้นดีเลยเนี่ยมีสักแคุ่กมันชีวิตกำลังดีเทุกคน <c oughs> นะไม่มีทางเสื่อมเลยมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่มีทางเสือ่อมนั่นเหี้ยชีวิตไม่มีทางตกตามเลยตามโบสถ์ชาติละร้อยหลังพันหลังถ้าเนี่ยมาลุยอย่างนี้ตกหน้รกได้เนหะ็นโคนโบสถ์หง๋องอย่างนี้ก็ตกหน้ารบดได้ในนี้ลาช้า ไม่ได้ช่วยคุ้มคอรองให้ตกโรคไม่ได้นะนะแต่กรู้อย่างนี้นะใช่ไหมนะไม่โหไม่หกหกก็รู้อย่างนี้ไ่ตกแน่นอนเนะี่ยอย่างในหัวนรกอยู่ในเนี่ยั้นอยู่ในอกนรกอยู่ในใจก่อยู่ที่ตัวเราทั้นั้นนิพพานไม่ไกลไม่ไกลหายใจก็ได้ยินใช่มที่หายใจเข้าหายใจออกเห็นได้รู้ได้ไ ขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกที่เรารู้ได้เห็นได้กนะ็บสงบไม่ต้องสังเกตุกจิตดนะ้วยฮะจิตกระปานนี้ขึ้นนะนะพอมีความปานนี้นนเป็นหายใจเข้าออกละเอียดทุกอย่างมันเห็นการกระทําทุกหมดเนยมันพอใช้เวลาอันนี้มากสังเกตุนี่แบบนี้มาทายทอด นี่ไงมาแนะนำถูกะนะดูแล้วก็ยโอ้อย่างนี้ะยัคนดู้ดูเราดูไปยังไงแล้วเจนแนะต้องดูดูเนะเนี่ยเป็นเองซรองดูได้ของจริงนะแลก็คนต่อิสูด้วยนะ ของกีนต <N> ้องนนะไม่ใ <H> ช <ose> <N> ่จะท่านัน่านี้โอ้จะท่าไหนได้ยังไงก็อันนี้ต้องทรงอยู่ทาลายไม่ได้นะใครมาหาไม่ได้เกับเลยต้องอย่างนี้ด้วยนะต้องสังเกตุทุกวันใครอย่างนั้นยังมีวะอกา้อย่างนั้น่ะอยห็งนั้ือไม่ได้ไออย่างนี้ใครไย่างใชไม่ได้ต้องใช้ได้จริงๆ่นคำสอนของเจ้าในการตัดรูจัมย่อย มันต so, nah. ้องพยายามช่วยกันเผยท่าช่วยกันบอกกันนะให้มาสนใจอันนี้ดูจิตดูใจดูไรืยเข้าใจให้ดูบอลูดูดี็กๆมันดูที่บอมัน็ยุได้สอนเด็ดีที่สุดนะามขนี่ก็รู้ถาสงบได้ จะหยุดบาทีบังคันให้จะเลื่อลักเลื่อนลักดูดูเยอะจะตอบได้เคยใช้เกณฑอแล้ว